เนปฏิบัติธรรมได้เห็นอะไรเสร็จสิ้นกับตัวเองบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมตตาทางกายหรือทางใจเอกจากนั้นทางกายปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนที่ขาที่ขาเป็นเน็บเป็นชาสช่พระธรมาก็เป็นนะ มันมันทำให้จิตกระวนกระวายก็อย่างท่านนั่งนานๆก็ขาก็ยังเป็นเหน็บชาก็สังเกตนะก็เป็นมาตลอดเป็นมาตลอดแต่ก็ลองฝึกเนาะก็กายมันเป็นแบบนั้นลองดูว่าใจเราจะวางแบบไหนมันถึงจะไม่ไม่กระวนกระวายตบบนั มาทีเรื่องกายมันก็อธิบายยากบางคนก็ไม่อาที่ไม่เป็นแบบนี้บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยมางทีเราก็ยอมแล้วมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มันอาจจะมากน้อยต่างกันแต่ถ้าเรามีสติดก็เห็นก็อาจะเห็นน่ากายมันเป็นแบบนี้ของมันนะถ้ามันมากๆแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นอะไรเอาไม่เป็นไรนะเปลี่ยนได้ เ ป, เป็นได้ไม่เปนได้แล้วเราเราควรจะทนมันไม่หรือว่าพอเราเกิดเวทนาแล้วเปลี่ยนเลยเรียว่าต้องทนไปก่อนทนสักหน่อยก่อนเพราะว่าบางทีถ้าใหม่ใหม่บาทีบางคนจะแยกไม่ถูกโยงว่าบางทีมันเจ็บนิดนึงแล้วมันไอ้ที่มันทนไม่ได้ติดใจไม่ใช่ไม่ใช่ขาแต่ถ้าเราลองทนสักหน่อยอาจจะเห็นเออ มันยังฟอตนได้เหมือนถึงคายังฟอตอนได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่ก็จะเห็นไอ้ขายังพอตนได้แต่ใจยังมันจะไม่ไหวไม่ไหวละเนี่ย <c oughs> เพราะว่าพอมันเกิดเวทนาน จ, จะไม่มีความรู้สึกแหละมันจะไปจะไปที่เจ็บปวดความรู้สึกจะไม่มมไปอันนู้นแ่ตอนนี้มันจะไม่ชัดจช่ไหมมันจะไม่ชัดแม้แต่ใบใหมก่ก<ม>็ก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็จะจบมาไปแต่ตองนี้อาจจะลองลองแบบอ่า ตั้งหนักใหม่แล้วก็ลองทัำให้มันชัดกํา <Yeah. S 1> หนดให้มันชัดขึ้นแต่ถ้ามันลองกําหนดแล้วก็ไม่ไหวแสดงว่าเวทนาทางกายมันมากเกินไปก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แสดว่าเออมันขีดขีดความสามารถที่เราจะทนออกมามั น, มนไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนยังมีสติเนาะเปลี่ยนยังมีสติมันเกิดทฤษฎีก็ลองทนก่อนทนมันจะถึงเออไม่นะเกิดไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยน มันเป็นธรรมดาของร่างกายเราแต่เนี่ไหมถ้าเราฝึกคนแบงนี้มันเนี่ยไหมก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้ก่อนต่อไปเราเจ็บมากตว่นี้ <c oughs> เจ็บมากตว่นี้เนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยถ้าเรามีแต่เปลี่ยนบางทีการเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนแบบหนีนแบบหนีเพราะเราไม่ชอบเวทนาแล้วก็เจ็บทันทีนี้เลย หรือบางคนเวทนาบางทีก็ปวดเมื่อยนะแต่บางทีเวทานาทางใจที่น่ากลัวคือเช่นความเบือ่ <c oughs> อความไม่ชอบอารมณ์ที่แบบพอปฏิบายแล้วมันไม่ไม่สงบไม่สบายนะแล้วก็ไปเปลี่ยนทางอื่นแทนไปอ่านหนังสือไปดูไปฟุยแทนนะมันก็คือการเปลี่ยนอารมณ์นะแต่ทา่านี้แต่กรรมฐานเนี่ยมันมีวิธีเปลี่ยนอารมณ์แบบนึงเปลี่ยนแบบไม่มี แต่เราเปลี่ยนมารู้สิ่อื่นแทนเช่นขาไม่ปวดเมื่อยอยู่เราเปลี่ยนมารู้สิ่อื่นแทนอะไรก็ได้มือมันไม่ปวดเมื่อยถ้าเราดึงผิดมาอยู่ที่สิ่งที่ไม่ปวดเมื่อยมากมันจะรู้วิธีอ้อออกมาอยู่ตรงนี้แทนออกมาอยู่ตรงนี้แทนมันก็จะเห็นตรงนี้ชัดกว่าตรงนี้มันจะเอาไว้ใช้ตอนถ้าวันหนึ่งที่ร่างกายเราเจ็บปวดมากจริงจริงเห่นอาจารย์คนนะ่ะปวดท้อง ม, มากมัน เป็นโรคตับมะเร็งตับนะทอ้ทองฟองอะไรนะี้เวทนาตรงนี้มันมากแต่ใจที่เคยฝึกไม่ให้มันเป็นเกาะกับเวทนาตลอดนะ่ะมันก็พอมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่อย่างพอกำเขียนนะ่ะเห็นเจาะคอะเจาคอแล้วก็เส็นหักก็เยีะยไอเจนเจนเหนื่อยเจนเหนื่อยเวทนาในการไอหรือว่าการเจ็บในบางส่วนนะ่ะก็มี แท่บงทีเมือนพ่อนอนนอนนงตสลิดนิ้วนิ้วมือแบบนี้บางทีก็นอนสลิกนิ้วเท้าแบบนีน้ให้เป็นเครื่องอยู่คือตรงเนี้มันไม่เวทนาไม่มากก็เอาเป็นเครื่องอยู่ตรงนี้ถ้าจิตเราไม่มีเครื่องอยู่มันก็จะไปอยู่กับที่มันเจ็บปวดเราก็จะกลายเป็นผู้ผู้ทุกข์เต็มร้อยแต่แต น, นี้ถ้าเรามีเครื่องอยู่จิตมันอยู่กับกรรมาฐานอย่างไรอย่างหนึ่งมันทุกข์กายมันก็ลดลงลดลง ไม่ใช่ว่าไม่ทุกนะก็ทุกอยู่ะแต่มันมันไม่มากเกินไปเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าให้เห็นนะเวทนาทางกายบางทีมันสําพันต่อเวทนาทางใจแต่ถ้าเรามีสติมันก็เห็นส่วนของกายก็ส่วนหนึ่งส่วนของใจก็ส่วนหนึ่งยังไงดีควที่ยังไงอาจารย์คะความคิดกับจิตนี่มันตัวเดียวกันไหมคะ <c oughs> ความคิดเกิดขึ้ที่จิตมันมันคือตัวเดียวกันไหมคะมันโยงสเสื้อยอมเปลี่ยนเสื้อได้สารละพัดชุด mm hmm. จิตตรงนูดเปลี่ยนเรื่อยๆเหมือนกับตัวโยงความคิดเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนใส่ใส่ชุดแต่งงานก็เป็นเจ้าสาวใส่ชุดชาวนาก็เป็นชาวนาอความคิดม mm ันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมบางทีเราก็คิดคิดแล้วะทุกข์ บางทีเราก็คิดแล้วก็สุดคิดแล้วก็พุ้งซ่ า, านะแต่จิตใจของเราเนี่ยมันคือธรรมชาติของมันคือไม่ปกติธรรมดาปกติจิตใจโดยเดิมแท้คือความเป็นปกติแต่พอพอเราไม่รู้ทันก็เลยปรุงเช่นปรุงในความโกรธก็คือคิดโกรธคิดหยา ค, คิดพุ้งซ่านไปอดีตไปอนาคตนี่คือ การมีสติก็คือเราเห็นรู้ทันว่าอั น, นี้มันคุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็มีสติมันก็จะกลับมาเป็นปกติธรรมดาในการปฏิวัติการเคลื่อนไหวการเนี่ยเหมือนสมองเราต้องสั่งให้มันทํางานค่พะพอสมองสั่งให้มันทํางา น, นเหมือนความคิดเราจะต้องควบคุมตรงนี้ไหมมันก็เลยเกิดความคิดแล้วไม่สามารถจะเคลื่อนความคิดได้เช่นแบบยกมือขึ้นมาแตะท้องอะไรเนี่ยมันก็ยังต้องมีความคิดอยู่ มันว่างได้อ่าครับครับถูกแต่มันเป็นเหมือนสมองมันอาจจะสรางโดยโดยเหมือนเหมือนเบื้องต้นน่อยโยใช่ไหมเหมือนเราแทงฟันก็ต้องสมองต่างนะแต่มันก็มันไม่ต้องมันไม่จะเบ็ต้องไปควบคุมตลอดเวลาคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราทําไปโดยอัตโนมัติโดยที่ว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะแล้วเราแค่แล้วยังไงอาจารย์ก็คือเราทําไปโดยแบบให้มันโดยที่เราไม่คิดอะ คือางนี้คำว่าจิตใจโยนะจิตใจมันจะมีสองส่วนถ้าจิตใจเราคิดจะไม่รู้ตัวถ้าจิตใจเรารู้ตัวจะไม่คิดถ้าจิตใจเราคิดเราจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าจิตใจเรารู้ตัวมันจะไม่คิดอันนั้นสิ่งที่เราทังเรารู้สึกตัวมันจะไม่ต้องใช้ความคิด เช่นแบบว่าพอเราเอามวางตรงนี okay? so <c oughs> <laughs> <c oughs> ้เราจะรู <Peninsula> <fiction> ้สึกเฉยๆว่ามือเราวางลงตรงนี้อย่างนี้คือพอแล้วก็คือรู้ว่าความสัมผัสอย่างนี้ใช่ไหมค่ะยองจันทารองแตะหลังเขาด้วยพีก็รู้สึกรู้สึกต้องคิดว่ารู้สึกไหมไม่ต้องคิดอ่านได้หละเข้าใจไหมมีคนมาแตะเราเราก็รู้สึกเลยไม่ต้องคิดแต่ในระหว่างที่เราทํางานมัน คือสมองมันยังต้องสั่งการมันจะมีควา ม, มคิดก็แค่การลำบากนี่เอเราใช้ความคิดถ้าเราทํางานนะเราใช้ความคิดก็คือถ้าเราต้องไปทำ ง, ง, งานเราก็ต้องใช้แต่ปัญหาของคนคือถุกความคิดมันใช้ความคิดมันใช้อะไรคะใช้เราเข้าใจไหมอย่างเช่นอ้ยโทรศัพท์ใหม่ไอโฟนเจ็ดอาจจะใกล้อ <laughs> อกอ่าเห็นโฆษณา โฆษณาขึ้นมานั่นความคิดเลยปูนแต่งถ้าเราอยากได้ฟองใหม่มันก็เลยต้องใช้เราให้ไปหาเงินไปซื้อสมมุตินะคะถ้าอาจารย์ถ้าความคิดของเราอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทําอันนั้นถือว่าเป็นสมาธิไหมคะเช่นสมมุติว่าเรายกมือความคิดของเราก็อยู่ที่มือเรายกขึ้นมาจับที่ท้องความคิดของเราก็คืออยู่ที่ท้องเนี่ยตรงนี้ถือว่าเรามีสมาธิไหมคะในเมื่อความคิดของเราอยู่กับสิ่งที่เราทํา หรือว่ามันคือสติว่ายังไงมันค่อนข้างสับสนทึ่งๆคือตัว อ, <c oughs> อย่างที่บอกยัยเคสตั้งแต่ตอนแรกว่าจิตใจกับความคิดมันเป็นเพื่อตัวกัน <c oughs> ถ้ า, <c oughs> ถาเราใช้ความคิดเรายใช้สิ่ที่เป็นสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ซึ่งสิ่งที่เป็นสมมติบางครั้งเราก็ต้องใช้เช่นเราทำงานค่ะเราก็ต้องใช้อยอะแต่บางทีแต่ปัญหาของเราคือ เราวางเอ็กความคิดไม่ค่อยได้ก็ยังถือว่าตรงนั้นยังเป็นสมาธิใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้คิดปรงแต่งไปว่าเฮ้ยมือยกขึ้นมาแล้วเจ็บอะไรไม่ได้ปรงแต่งคือเราคิดว่าเรายกมือก็คือจบตรงนี้ถือว่าเรายังมีสมติมีสมาธินะคะถ้าเราไม่มีการปรุงแต่งต่อการเหยียดที่เราลมยรู้แบบรู้แบบไม่คิดหรือรแบบคิดถ้าไม่ถ้าไม่ได้คิดต่ออะค่ะแค่เราก็แบบว่ารู้ว่า เรายกมือขวาขึ้นจับท้องยกวคนซ้ายขึ้นจับท้องและเนี้ยค่ะถ้าเรามันยังมีความคิดไปอะ่ะคือหัวมันจะว่างไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่างแต่มันก็คิดคิดอยู่ในขณะที่เราทำถือว่าได้ไหมะคะได้แต่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดค่ะคือลองแล้วลองพยายามจะไม่ให้มันให้มันแบง์เลยอะ่ะมันมันไม่มันไม่ยอมว่างเลยอะ่ะมันจะต้อง ที่มามือเราขึ้นมาหรอวเหมือนกันต้องมีบริกรรมอะไรสักนิดนึงให้จิตให้ทำ ใ, ใ, ใ, ใ, ให้ความที่มันไปเกาะค่ ะ, คะนั่นแหละนั่นแหละ ม, <ช> ม, มันเป็นมันเป็นเราใช้ใช้บริกรม ร, กรมบริกรรมทุ้โทรบริกรรมยึดหนอบ้องหนอก็ก็คือเน้นที่ส่วนสมาธิแต่ถ า, ถามว่าเป็นสติเป็เพียวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ จนกว่าเราจะวางไอตัวความคิดที่เร า, าเราเรียกชื่อตา่างๆอาการต่างๆได้นั่นคือรู้เฉยเฉยอย่างที่มีคนแตะหลังโยม <c oughs> แค่นั้นมันก็รู้แล้ว <c oughs> นี่คือสภาวะที่ถ้าเราทำตัดักครั้งแบบนี้บ่อยๆเราเดินเราก็แค่รู้เฉยไม่ต้องแบบ <c oughs> ถ้าเราต้องมีงกําหนดทุซ้ายขวาต้ายขวาตลอดพัน 9, เก้าเราก็ต้องพูดพันครั้ง <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าเรา เราอาจจะลองฝึกแต่ก่อนเราจะติดแบบนั้นอาจจะค่อยๆรู้รู้ทันเมื่อเราไปบริยตามนะลองเลิกบ่อยๆตามักสี่ห้าเก้ามาแล้วจะกลับมาใหม่อีกอะก็ไม่เป็นไรรู้ทันเมื่อไรก็เลิกมนะแล้วในการเดินเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเราเกาวซ้าซ้ายก้าเท้าขวาเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าแค่ว่าเท้าเราสัมผัสพื้นอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ใอ๋อเอาแค่รัรู้ว่าเท้าเราสัมผัสพื้นใช่แล้วเราสติคือการเราเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังเดิน มไ่ต้องการสัมผัสนั่นแหละคือพอนะพอแล้วสัมผัสก็พอแล้วอย่างที่มาบอกว่าเราทานข้าวดิ้งมั้นสัมผัสกับอาหารเนาะเราไม่ต้องคิดว่าเรากาลังทานข้าวแต่การสัมผัสนั่นคือของจริงแต่การพูดว่าเรากำลังกินข้าวเนี่ยคือคือภาษาที่สัญญาแล้วใช่ไหมคือเป็นสัญญาแล้วที่เราจําได้หมายรู้อว้อันนี้เรียกว่ากินข้าวคือภาษาไทยแต่มันก็คือเอาสมมติมาใช้แต่การ รับรู้รสเฉยธรรมดาเนานะี่ยไม่ต้องปรงแต่งอะไร <พอ S 1> นี่นามจริงอันนั้นคือสติไหมคะใช่เป็นเรสติแต่<ม><ม>ว่าถ้าเกิดกว่าในชีวิตประจําวันถ้าเราเดินไปในถนนเราก็ควรจะมีสติมากกว่านั้นใช่ไหมว่าเรากำลังเดินข้ามถนมนแล้วนี่คือสติอีกแบบหนึง่งท<ม>ี่เราก็ใช้สัญญาอยู่เราก็คือถ้าเราคิดประจำวันแล้วก็มันเหมือนสลับโหมดคือสลับ เราเห็นไฟแดงเราก็ต้องรู้ เ, ออเราต้องหยื่แต่ในนั้นเป็นสติที่มากมากไปกว่าแค่การรับรู้ถูกไหมคือสติมันมีสองอย่างสติแบบสัญชาตญาณกับสติที่เป็นมหาสาติสัจฐานยังต้องแยกแบบนี้ได้นะสตสญญิสัญชาตญาณเนี่ยคือสติที่เราใช้ชีวิตอยู่กโลกไม่ไม่เต็นบ้าไม่ไม่แบบหลุดโลกอันนี้คือสติที่เราใช้ในในสังคม เช่นในการงานตัวนี้ก็ควร ม, มีซึ่งสตงิตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับความคิดก็เราต้องจําได้อันนี้เรียกว่าอะไรไดกดอันนี้คืออะไรอันนี้คือต้องแยกว่าอันนี้คือสติทางโลกซึ่งซึ่งก็ต้องมี <Okay. S 1> แต่ตอนนี้การหลงที่คนใหญ่เขาหลงก็คือว่าบางทีเช่นเราเดินไป <Okay. S 1> เดินไปบางทีใจเราอะไม่รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ใจเราไปคิดเรื่องงานอยู่ อันนี้คือเราขาสติปัญญาแต่เราไม่ได้เป็นบ้าแบบต้องไปนะแต่เพียงว่าเราก็อยู่กับความคิดของเราไม่เคยได้หยุดพักเพราะว่าเราก็เดี๋ยวก็คิดเรื่องงานเดี๋ยวก็คิดเรื่องอะไรต่างๆตอนนอนทหาเรื่องมาคิดแต่ที่เราจะรู้สึกเฉย ๆ, ๆว่ากําลังนอนหรือว่าอาจจะนอนคิดมือเล่นๆไปเส้นเรารู้ตัวเฉยๆอันนี้คือสิ่ที่เราต้องฝึกเสริมคือสติ ป, ปัญญาซึ่งตัวนี้ยจะทําให้เรา ไม่ค่อเกิดปัญญาขึ้นแต่ถ้าตสติธรรมดาเนะี่ยมันก็เพียงแค่เราเอาใช้งานทางโลกธรรมดาไม่สามารถต่อย่อเป็นเป็นตัวปัญญาได้นี่แหละที่ยกขึ้นมาบอกว่าเราใช้ความคิดหรือความคิดใช้เรา ต, ตัวตัวสติ <laughs> ทางโลกก็คือเราก็ใช้ความคิดนั่นแหละธรรมดาใช้ในการทํางานเวลาทำงานเราก็ต้องทําใช้ความคิดนะนะ แต่บางทีบางอย่างความคิดก็ใช้เราเช่นตอนนอนก็เก็บเรื่องวุ่นวายะณิทั้งวันมาคิดเป็นนอนไม่หลับแต่นะี่เขาว่าเราก็เขาว่าเราแค่ครั้งเดียวแต่เราต้องิบมาคิดเป็นร้อยครั้งนะที่คือเราขาดสติที่ตรง น, นี้อ่าเฉยเฉย ไล่อยู่เฉยๆนะคะก็พยายามอยากจะรู้ตัวนะคะก็จะพยายามเป็นแบบือนยกมือบ้อางขยับม้อบ้างนะะี่ค่ะมันก็จะรู้สึกมีทจิตใจรู้ตัวขึ้นมาแต่พอทําไปแล้วมันเมื่อยทาให้ทำต่อไปเรื่อยๆคือพระอาจารย์ทำแล้วเมื่อยก็ทำต่าไปเรื่อยๆคือถ้าเมื่อยก็ให้ทําต่อไปเรื่อยๆหรือว่ายังไงดีนะคะก็ ถ, ถ้ามันไม่เมื่อยมากก็ทำไปเรื่อยถ้ามันเมื่อยมากก็เปลี่ยน เป็นเราสมมติเราอีกมือข้างนี้เมื่อยแล้วก็วางแล้วมาปีกข้างนี้แทนอะไรนะก็คือเรายังแบบเรียกว่าการการเคลื่อนไหวเรายังสามารถทําได้หลายอย่างเนาะเรามีทางเลือกเยอะแะทางเลยอำแบบไหนก็ได้ยังไม่แด่จังคนนะท่านพิการท่านนอนแค่ส่วนส่วนบนไหลขึ้นไปที่ขยับได้ตอนถ้บอกตอน นอนทิเหมือนะมันก็เนื่อยมากนะไปเดินจมกลมเราจะไม่ได้มานั่งขึ้นก็ได้ก็ใส่บางทีเหมือนบางทีก็ทำปาก๋างทีก็ยักคิ้วอะไรนั่นนะทำจมูกคือเอียบบทอะไรก็ได้ที่มันเป็นการเคลื่อนไหวแล้วเราก็ใส่สติ้าไปอยู่กับการเคลื่อนไหวนะก็คือใช้ได้ทั้งหมดเคยเคยสมมติว่าว่างหรอชั่วโมงมาแล้วก็สมมติแขนมอยก็เปลี่ยนไปดูที่กืะด มันก็พอเปลี่ยนไปมันก็เมื่อยไปเ ร, รือ่อยๆค่ะก็เลยก็เลยลองมาดูที่ลมหายใจแทนมันก็แฝงไปผ้วยอ่ะเหมือนเราไม่ถนัดไปนะคะก็เลยกลับมาเคลื่อนไหวอีเลยค่ะก็ให้เปลี่ยนไปได้ๆอยู่อ่าได้ได้คือแต่แ ต, แต่สิ่งสาคัญอย่างที่ว่าอย่าอย่าผิดอย่าไ ป, าไปเฟยงแค่จ้องแค่แค่ต่วในเกินนึ่งเนาะการรู้สึกจริงๆคือการรู้สึกตัวทั่วท้วองรู้สึกตัวทั่วท้องทั้งร่างกาย แต่มันาจะเด่นชัดที่ที่บทที่เราตั้งใจทำนะแต่เราไม่ใช่แบบเหมือนสร้างการไม่เหลือแค่แขนอย่างเดียวไม่ใช่เรามันเด่นที่ตรงนี้แต่เราก็รู้สึกเป็ทั้งหมดเพราะว่าบางทีถ้าเราจ้องแค่ส่วนเดียวนะมันบางทีหน้าตาเราเครียดการหายใจเราไม่สบายนี่คือเราเราดึงตัวเหมือนกันแต่มันได้สมาธิในการจ้องความส่วน มันจะนิ่งเมื่อยไปกว่าเก่า บ, บางคนบางคนปวดเมื่อยเพราะว่าเพราะว่ามันตั้งใจเกินไปเช่นวันรเราตั้งใจบางทีเราตั้งใจยกมือตั้งใจยกมือมากบางทีปวดไหล่จะมีปวดไหลเพราะว่ามันเหมือนมันเกงไปหน่อ ย, ยนะ <c oughs> ก, กรารนัสังาตนะคะถึงความยับยั้งยงราะถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหวเป็น14่จังหว น, นะคะเราใช้การรกตัวให้เรารู้สึกว่จะใช้ได้ค่คะได้คื้อรูปตัวหรือจมอะไรบงอย่างนที่แบบ้องเป็น4ิสจังหวนั้นนะคะได้ได้ถือฝ่ามืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่ให้เรารู้สึกตัว แต่ทีนี้ก็อย่างนั้นมันเหมือนเราจะรู้สึกวัวแค่แค่ตรงจุดที่เราสัมผัสกันหรือเล่าคุณจะไม่ได้รู้สึกทั้งทั้งทั้งทั้นทั้งทั้งท้งใั้งทั้งทั้งทั้งย่าไปั้งทั้งทั้งทั้งทั้ง้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้ั้งทั้งั้งั้งั้ั้งทัรง้งทั้งทั้ทั้ทั้งทั้ทั้ทั้งททั้งทังทังงงทั้งท ที่จริงเราเปนน็นนวดสมมตินะมีคนนวดเรานอะเราไม่ได้สัมผัสนะ ต, ตัวเองไหมแต่การนวดเราการที่เขนวดเราสูดตัวเราแล้วก็มีสติดได้นั่นแหละกนะารติดศีรษะมันเหมือนแต่มันก็มีข้อดีในแง่ว่าบางส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เราจะมักจะหลมไปคิดบ่อยๆบางทีถ้าเราทําเป็นเป็นท่าที่มันไม่คุ้นชินอ่ะมันก็จะทำให้เราตั้งใจมีสติมากขึ้น หรือในท่าสื่อท่ามันมีการเคลื่อนมีการหยุดบางทีถ้าเราคิดเยืนเพลินบางทีเราจะดืมหยุดหรือถ้าใหม่ๆจะดืมท่าผิดท่าไปเลยไอ้ตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้เราผิดท่าแล้วแสดงว่าเมื่อกี้จะคิดอะไรเพลินใช่ไหมฮะหรืบางทีทําไปเพลินลืมหยุดเลย่ยหรือบางทีแม้แต่การรู้ตัวบางทีรู้ตัวเพินมากเกินไปก็ทําให้แบบเรารู้เป็นธรรมชาติ รู้แบบ ย, ยาวๆไม่ใช่รู้เป็นครั้งแต่เป็นรู้แบบยาวต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันมันมันเป็นสมสาธิไปแต่ก็แต่ในย บ, บทจริงๆแเรวก็ไม่สามารถทำสิบสี่จังหวะได้ตลอดบางทีเราไปอยู่ในที่จุน่คนที่ควาไม่ได้ปฏิบัติไม่เราก็แค่ติ๊กมือแค่หมุนิ้วอรแบบนั้นก็ได้บางทีก็อกระดิกท่าเล่นเลนะ่ในแบบนั้นได้หมดเลย รูปเนื้อรูปตัวหรือบางทีไม่แต่บางคนทำสิบสี่ท่าแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยชัดอะ่ะบางทีก็อยากให้ลองคล้ายๆเปลี่ยนบ้างเนะเปลี่ยนท่าหน้านิดนึงหรือะอะลองลองรูปขาเองนะเออครับ <c oughs> ชัดแล้วก็อาจจะทําในรูปแบบดี ก, ก็ได้ถ้าเราเข้าใจแบบนี้โยมต่อไปมันก็จะไปประยุกต์กับกับการงานที่เราทรํานั่นแหละ เรากวาดบ้านก็สื่อการเคลื่อนไหวใชเราในที่เราบอกว่าเราสูดเราลูบตัวเองก็คือเหมือนเราสูดเซร่เราสูดเซรั่แต่ก่อนบางทีเราสูดสบูั่ไปร้องเพลงไปคิดอะไรไปแล้วก็รู้สึกตัวการที่ร่างกายเราสัมผัสกันแบบนี้ฮนี่คือจัลลิสติกบางคนขณะที่อาบน้ําสูดเซร่เนี่ยเขาเห็นตัวเองเห็นงไงอ๋อใจมันเห็นร่างกายกระลัง โดยสมมติเราเรียกภาษาว่าอาบน้ำนะสะูญเสียนะแต่คือที่จริงใจมันเห็นรูปเ็ส่วนหนึ่งจิตเป็นจิตก็ส่วนหนึ่งที่มันสัมพันธ์กันแต่มันมันแยกออกแต่กันเราะยกมือแล้วเราตั้งใจจะพึง่งมือ นั่นคือเราหลงที่มือแนละ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในตอนวิธีการก็คือเราก็เป็นรู้รู้ก่อนที่เราจะยกเพื่อให้มีสุขเพราะ ง, งัมันหลงไปแล้วก็อปรู้ว่าหลงก็ฟอแล้วอย่าอย่าไปแบบอย่าไปโยก่อนโด้วยความที่เราเราตั้งใจตั้งที่จะโยกมันจิตมันจะไหลไปที่มือก่อนแล้วมันมันก็จะเปอึกอักอยู่ตรงนั้นมันหมุนไปจ้องที่มือค่ะ อครั้นี้เนี่ยพอมันไม่มันไม่มันไม่หลบไปทิ่มันก็หลบไปจ้องที่มือนะนี่ตอนที่ไปที่มือเนี่ยพอมันอึดอัดเนี่ยให้เรารู้ไปแค่ว่าเราหลบไปที่มือคือขาดไปตรงนั้นบ่อยมันก็จะคลายตรงนั้นด้วยค่ะอ่ใช่ถ้าเรารู้ทันว่าว่าใจเราไหลไปที่มือหรือว่าใจเราอิดอัดรู้รู้ที่ไหน่ะือรู้ที่ไหนก็ได้นะเช่นรู้ว่าใจเราไหลไปไปดูอะไรก็อย่างไปต้องอะไรสอย่างหือบางทีเราก็ย้อนกลับมาดูใจจริงๆริงว่า แต่ตอนี้มันติดอ่ะอันนี้ก็ติ่อการรู้รู้ทางสภาวะของจิตใจละถ้ารู้แบบนี้ไวๆมันจะค่อยๆกลับมาพอดีไม่ไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านั้นแต่ทีนีแล้วอย่าอย่าไปแบบแต่างที่เมื่อกี้พูดว่ามันไหลไปอย่าเพิ่งไปจ้องดูมันก่อนมันไปเิผยไปก่อนมันวค่อยค่อยเกิดสติที่างเดี๋ยมันตับของมันเองไม่ต้องกลัวนะมัน ที่จริงเรารู้ว่าเราไหลเราไปบ่อยมันจะค่้ยๆอ้อมมันจะรู้ว่าตอนที่มันรู้นะ่ะคือมันพอดีและแต่มันอาจจะเผลอเข้าไปอีกอ่ะก็พอดีแต่บางคนแบบเพ่งเราคิดว่าจะอินทำถูกอ่ะมันจะเหมือนไปจ้องอยู่ตลอดเวลาจ้องตลอดเวลาเรากคิดว่าจะเนี้ยการจ้องแบบนี้มันดีละไอ้พวกเนี้ยก็จะกลายปดดเป็นโทคติดจ้องติดเพ่งอ่าพอทําไปนานๆครั้งนี้แค่แป๊บเดียวเนี่ย เข้าไปเท่งนะเขาจะแก้ยากเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าแบบนี้คือเรียกว่าเท่งแบบนี้เรียกว่ามันไหลไปแล้วก็กลับมาบ่อยๆมันจะเป็นการแก้การเพท่งการจับแเป็นระหว่างนี้เนี่ยเราเราก็เมือเกิดเรารู้มันมันเท่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธียำบทดได้เหมือนกันใช่หมหรือเริ่มต้นใหม่ได้ได้ถ้าถ้าเรารสึกมันมันเท่งบ่อยเท่งมากมันที่เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะมันจะ แต่กีเรียนเขจะได้ต่างเราไม่ทันอ่าแต่ใหม่ๆอยากให้ลองจับระับตัวเองว่าถ้าเราทําแบบไหนแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายกว่าบางคนอาจจะยกมือแล้วมันมันเครียดอาจจะใช้การเดินใช้การเดินเป็นดาบถ้าเรารู้สึกเดินแล้วสบายก็เดินเป็นดาบไปก่อนหรือบางคนเดินแล้วมั น, ม, นมันไม่สบายกา็ยกมือสบายกว่าก็ได้หรือบางคนแค่ รูสึก4ท่ารู้สึกปวดหัวกลัวหงุดเอาแค่2ท่า น, นี้ก็ได้จริงนะมันถ้าเราทำแล้วสบายมันก็ได้แล้วก็แต่ของเราทําสบายแล้วก็ทําในสอนเื่อ เ, เรื่อยๆนะมันก็มีสติได้เหมือนกัน2ท่ากับ14ท่าเท่ากันนะรู้รู้รู้รู้ก็เหมือนกันรู้รู้รู้รรเหมือนกันไม่ต่างกัน <c oughs> เมื่อเราทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันได้เงินเหมือนกัน <c oughs> สติก็เรอปแบบไหนก็เหมือนกันว่าแต่ถ้าเราขยันมันก็ได้มันก็ได้สติมากเมือนเราทํางานเราก็ยันเราก็เราก็มีซับมากขึ้น <c oughs> รวมทั้งสติในการรู้จิตใจด้วยกันรู้ว่าเผลอเผลอไปคิดหรือเผลอไปเพ่งฉะนั้นก็มีสติถ้าเรารู้ ฝึกมือไปบ่อยมันจะรู้ได้เร็วขึ้นจอได้บ่อยขึ้นแต่โยมก็ไม่ได้เพ่งอะไรมากนะเป็นบางขนาดเลยะใช่เหมือนมึงพอมันทำแล้วมันตั้งใจต่อหน้าพระาจารยอแต่มันมันบางทีมันเห็นจิตบาครั้งเนี่ยพอเห็นเยอะๆคอยกวนมัน มันนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหรือเปลาอย่าให้เหมือนเนี้ยก็ให้เราแค่รู้สึกกับประจรมของการเดินมันนั่นเองเออถ้าจิตมันมันนิ่งเกินไปก็ต้องหาหาเรื่องให้จินมันรู้โดยรู้กายแทนนะรู้กายไปแทนเพราะพออย่างทำวันแรก้ยมันก็เห็นเห็นจิตใันคิดเยอะแต่พออีกวันหนึ่งเนี่ยมันใจว่ามันมันมันมันนิ่งอ่ะมันไม่นมันนิ่งหมือหรือมันว่าง มันมือนจัมนมันไม่ทันตามคิดหรือความที่มันห่าไปก็ไม่รู้มไม่เป็นไรก็รู้กายไปแท้ครับก็ใช้รู้กายเอา ม, ม, มาว่าบางทีในพวกเราเป็นคาราวะหรือเราไม่ได้แบบทําเคยทําสมาธิมามากๆแต่ก่อนมันบ้างก็ไม่ไม่นานหรอกพอเราทำงานต่างตา ม, ามาเดีวก็เจออารมณ์เหน๋ยวก็พุ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าบางคนเคยทําสมาธิมามากๆหรือหนีไป แล้วก็ไปปฏิบัติเดี่ยวบางทีบางทีมันว่างเราถ้า ว, ว่างนานๆหรือสงบมากๆบางทีก็อาจจะติดตรงนั้นแทนแต่พวกเราเป็นคารวาวาจนใหญ่เราก็อาจจะเจ็ไม่ติดตรงนั้นนานถ้าเราไม่ไม่เคทำนนานีมามากเกินไปนะ วันนี้ก็เป็นอคุรัวนเนะวารระในการประกาศความีริงปิดการรบ